นะโมตัสสะพระคขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระเขวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธสาคพเมเกอุปชัชชนตินิรยังปาปกรรมิโนสักขังสุขติโนยันติปรินิพันติอะนาสวาิติ ณ บ, บัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาปรารกเรื่องกรรมเพื่อฉลองศรัทธาของท่านสาธุชนผู้สนใจในการฟังธรรมซึ่งเดินทางมาสู่วัดปรยุรวงศาวาสในวันนี้ โดยมีความประสงค์จำนงหมายต้องการจะมาทำบุญทั้งหลายในวันพระเช่นมีการบำเพ็ญทานหรือทำทานตั้งใจรักษาศีลตั้งใจสวดมนต์ภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มพูนปัญญาด้วยการฟังธรรม อันว่าการฟังเทศหรือการฟังธรรมนั้นเป็นบอกเกิดถึงความรู้เป็นบอกเกิดถึงความคิดเป็นบอกเกิดถ่งปัญญาจะทำให้เรารู้ว่าจะพัฒนาชีวิตอย่างไรจึงจะได้ความสุขเพราะบางท่านปรารถนาความสุข แต่ก็ยังไม่รู้ว่าทำอย่างไรจึงจะได้ความสุขตลอดชีวิตจึงมีแต่ความทุกข์กล่ำไปแล้วชีวิตของคนเหล่านี้ใช่ว่าจะอยู่ในโลกนี้ได้ยาวนานอยากจะอยู่นานแต่ก็ไม่ได้ดังใจหรืออยากอยู่นานๆอยากจะมีความสุขมากๆ ก, ก็ยังไม่ได้ดังใจ ถามว่าถึงไปทำไมจึงเป็นเช่นนี้เพราะเราไม่รู้วิธีทำกรรมเรื่องกรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญในพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสาาว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นกรรมวาทีแปลว่าอย่างไรก็แปลว่าสั่งสอนเรื่องกรรม ในศาสนาอื่นๆสอนเรื่องกรรมไหมก็อาจจะมีสอนบ้างแต่ว่าไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนพระพุทธศาสนาครั้งหนึ่งเจ้าลทัทธิได้พูดถึงคำสอนของตนเองว่าสอนอย่างนั้นสอนอย่างนี้สอนอย่างโ น, น้น แล้วก็มีคนนำมากราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสออกไปว่าการสอนอย่างนั้นเป็นสัตตะวาทีคำสอนอย่างนั้นเป็นอุเฉทวาทีแต่ว่าการสอนของเรานั้นเป็นกรรมวาที คือหมายความว่าเป็นคำสอนที่ประกอบด้วยเหตุด้วยผลคำสอนของศ า, ศาสดานอกนี้บางท่านก็สอนว่าอะไรต่อมาอะไรต่อมิอะไรเนี่ยมันเป็นของเที่ยงอยู่แล้วคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหน้าก็ต้องเป็นมนุษย์อีก สัตว์เทเลชานชาตินี้เกิดมาเป็นวัวเป็นควายชาติหน้าก็ต้องเป็นอย่างนี้อีกสอนอย่างนี้เขาเรียกว่าสอนแบบเที่ยงเป็นอยู่อย่างไร <l ars> ก็เป็นไปอย่างนั้นญาติโยมเกิดมาเป็นชาวนาก็ต้องเป็นชาวนาอยู่อย่างนั้นเป็นชาวสวนก็ต้องเป็นชาวสวนอยู่อย่างนั้น ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงฐานะของตัวเองได้สอนอย่างนี้เรียกว่าสัตตะวาทีบางท่านก็สอนว่าป่วยการที่จะไปเรียนป่วยการที่จะไปฟังเทศจะเรียนเท่าไหร่ฟังเทศเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดผลดีอะไรสอนไปในทําหนองนี้ทํานองนี้เรียกกันว่าเป็นอุฉเฉทาวาที ก็แปลว่าถึงจะทำดีทำถูกการทำดีทำถูกนั่นก็ไม่เกิดผลดีอย่างไรอย่างเช่นคุณโยมมาทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาไม่เกิดประโยชน์อะไรทำไปก็ไม่ได้ผลสอนอย่างนี้ท่านเรียกว่าอุดเฉทวาทีแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเช่นนั้น พระพุทธองค์ทรงสอนอย่างมีเหตุผลเป็นที่มาของคำว่าทำดีก็ยอมได้ดีทำชั่วก็ยอมได้ชั่ว <c oughs> การสอนลักษณะอย่างนี้เรียกกันว่าเป็นกรร ม, มาวาทีมีอยู่ในเฉพาะพุทธศาสนาเท่านั้นพระพุทธเจ้าตัดสอนให้เราเกิดศรัทธาในเรื่องนี้ด้วยนะ ญาติโยมจะไปเชื่อเฉพาะอย่างอื่นขอให้เชื่อเรื่องกรรมเอาไว้ให้มากชาวพุทธของเราส่วนใหญ่ยังมีใจไข้แผลไม่ค่อยเชื่อเรื่องกรรมแต่ไปเชื่อเรื่องการอ้อนวอนไปเชื่อเรื่องการบันดาลเรามักจะไปเชื่ออย่างนั้นเช่นนั่งรถไปต่างจังหวัด ไปเห็นจอมปลวกรูปล่างแปลกๆบอกคนขับรถว่าหยุดหยุดคนขับรถก็สงสัยว่าหยุดทำไมฉันเห็นจอมปลวกนี่มันแปลกๆแสดงว่าเป็นจอมปลวกศักดิ์สิทธิ์เปิดประตูรถลงไปกราบไปไหว้บนบานศาลกก่าวว่าขอให้ถูกรอตรีงวดนี้สักหน่อยเถอะ ไปขอจะจอมปวกการทําอย่างนี้แสดงว่าศรัทธายังไม่หนักแน่นในเรื่องกรรมไม่เหมือนกับญาติโยมท่านสาธุชนซึ่งมานั่งฟังธรรมอยู่ณขณะนี้ญาติโยมต้องมีความเชื่อเรื่องกรรมก็คือว่ากรรมศรัทธานอกจากจะเชื่อเรื่องกรรมแล้วแสดงว่าต้องเชื่อเรื่องผลแห่งกรรม ก็แสดงว่าการกระทำนี้ต้องมีผลเราทำอย่างไรก็ตามย่อมจะได้รับผลของการกระทำจึงมีพระพุทธภาษิตอยู่บทหนึ่งว่ายาทิสังวะัปะเตพีชังตาทิสังละปะเตลัง กัลยาณนการีกัลยาณังปาปการีจะปาปังแปลว่าวานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นทำความดีก็ย่อมจะได้รับผลดีทำกรรมชั่วหรือทำความชั่วย่อมจะได้รับผลชั่วที่พระพุทธเจ้าตัดไว้อย่างนั้น ฉะนั้นเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราหรือชีวิตของคนในทั่วไปขอให้ท่านทั้งหลายต้องคิดว่าเป็นมาเพราะผลของกรรมไม่อันหนึ่งก็อันใดที่เราทำไว้ไม่กรรมเก่าก็ต้องเป็นกรรมใหม่แต่ว่าเกิดเพราะการกระทำของเราอย่างแน่นอน คำว่ากรรมนี่คืออะไรกรรมแปลว่าการกระทำแล้วเราทำกรรมทางไหนกันบ้างทำกรรมทางกายเรียกกายกรรมทำกรรมทางวาจาเรียกวจีกรรมทำกรรมทางใจเรียกมโนกรรมเนี่ยเราทำกรรมได้สามทางนี้เท่านั้น แต่ว่าการกระทำมันเกิดจากอะไรการกระทำจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อผู้นั้นต้องมีความตั้งใจความตั้งใจตัวนี้ท่านเรียกกันว่าเจตนาการกระทำที่ไม่ได้เกี่ยวกับความตั้งใจเนี่ยไม่จัดเป็นกรรมยกตัวอย่าง นอนเทินระเมอนะสวดมนต์บนเตียงนโมตสสะภะคะวะโตคือละเมอสวดมนตนะ์ละเมอทุกคืนก็ไม่ไปสวรรค์โยนเพราะมันทำด้วยความไม่ตั้งใจมีบางคนไม่ใช่ละเมอเฉพาะที่บ้านันละเมอที่วัดก็มีนั่งฟังเทศไปหลับเพลิน แล้วก็ละเมอออกมาพุทโธพุทโธอย่างนี้ก็ไม่ได้ผลอะไรเพราะไม่ได้มีความตั้งใจฉะนั้นการกระทำที่เกิดจากความตั้งใจนี้จึงเป็นกรรมอย่างแท้จริงดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาหังนพิกเเวกัมมังวะถามิดูกรรพิสูจนทั้งหลายเราเรียก ความตั้งใจแล้วทำอะไรลงไปเรียกว่าเป็นกรรมคือเกิดความคิดตั้งใจเช่นท่านทั้งหลายตั้งใจมาแต่บ้านว่าจะเดินทางมาที่วัดมาฟังเทศน์ในวันพระแล้วท่านทั้งหลายก็เดินทางมาอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นกุศลกรรม เพราะว่าตั้งใจดีมาแล้วก็กระทำไปตามความตั้งใจอันนั้นที่เป็นกุศลกรรมหรือในยะตรงกันข้ามถ้าหากว่าท่านทั้งหลายคิดไม่ดีแล้วก็ทำลงไปตามความคิดนั้นๆ <c oughs> คำที่ทำลงไปนั้นก็เรียกกันว่าอะไรเป็นอกุศลกรรม <c oughs> แปลว่าเป็นกรรมที่ไม่ดี ยกตัวอย่างว่าท่านตั้งใจที่จะพูดให้ใครคนหนึ่งเนี่ยเขาเสียใจฟังแล้วให้เขาเสียความรู้สึกอย่างเงี้ยบางทีก็พูดประชดประชันกับเขาบ้างเขาเป็นคนธรรมดาสามัญ ก็ประชดประชันโดยการใช้คาพูดว่าแม้คุณหญิงแม่ท่านผู้หญิงอะไร่งนี้เขาฟังแล้วก็ให้รู้สึกระคายเคืองกลายเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้ก็เป็นอกุศลละกัรวมความว่าทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีนั้นเกิดมาจากความตั้งใจตั้งใจดีทดําดีพูดดีลงไปก็เป็นกุศล ตั้งใจไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีลงไปก็เป็นอกุศลทั้งกุศลและอกุศลถ้าทำไปแล้วมีผลทั้งนั้นผลที่จะตามมามีสองชั้นญาติโยมตั้งใจฟังสองชั้นเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธได้พระพุทธเจ้าตัดไว้แน่นอนเลยทีเดียว ถ้าหากว่าทำกุศลคือทำเรื่องดีทำบุญหรือทำความดีจะต้องมีผลตามมาสองชั้นแน่นอนชั้นที่หนึ่งอนิสังสผลอานิสัง ส, ผ ล, ส, งสผลก็แปลว่าผลที่เกิดขึ้นที่ใจก่อนทำดีใดๆลงไปแล้วใจจะมีความเยือกเย็นมีความเบิกบานมีความเข้มชื่น นี่เขาเรียกกันว่าอานิสังสพผลสองก็คือว่านิสันทพลแปลว่าผลที่ตามมานิสันทพลจะตามมาหรือไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอย่างอื่นอีกด้วยประเดี๋ยวจะเทศให้ฟังในฝ่ายอากุศลเล่าพอทำลงไปแล้วเกิดผลอะไรตามมา ผลที่ตามมาก็เรียกว่าผลสะท้อนมาถึงตัวเรามีอะไรบ้างสำหรับการทำมาโกศลหรือการทำบาปก็มีผลสองชั้นเหมือนกันหนึ่งก็คือวิปปติสารผลผลที่ทำให้ความรู้สึกของตนเล่าร้อนทำบาหรือทำไม่ดีลงไปแล้วใจมันเล่าร้อนคนอื่นจะรู้หรือไม่ไม่สําคัญ ทุกคืนทุกวันเราจะอยู่กับตัวเราได้ความเล่าร้อนนี่เป็นลักษณะของวิปติสารผลสองนิสันทะผลก็หมายความว่าความเสื่อมความเสียความทุกข์ทรมานอันเกิดจากการทำชั่ว น, นั้นก็จะตามมาอีกเอายกตัวอย่างว่าไปวางระเบิดที่ลาชจประสงค์ ตำรวจยังจับไม่ได้นีก็อยู่ด้วยความร้อนใจจะอยู่ฝั่งทนก็ร้อนจะห น, นีไปฝั่งพระนครก็ร้อนจะอยู่ในห้องแอร์ก็คิดว่าน่าจะเย็นสบายแต่ก็กลับร้อนใจมากขึ้นก็แสดงว่าทำไม่ดีหรือทำอกุศลหรือทำบาปมันส่งผลต่อจิตใจทันทีก็คือเกิดความเล่าร้อนใจ เราท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูเราทำชั่วอะไรสักอย่างจะมีคนรู้หรือไม่ไม่สำคัญแต่ใจเรานั้นจะให้รู้สึกผิดปกติเกิดความเร่าร้อนเกิดความกระวนกระวายไม่มีความสุขเลยนี่เป็นผลอันแรกผลอันที่สองอยังตามมาอีก ถ้าหากว่าเรื่องที่ทำไปนั้นกระทบกระเทือนต่อผู้อื่นทำให้สังคมเขาเดือดเนื้อร้อนใจถูกจับได้ถูกนำตัวไปลงโทษนิสสันตะผลคือผลที่ตามมานั้นมากมายชีวิตของคนในสังคมจึงเป็นไปตามผลของกรรมอย่างนี้ เป็นที่มาของพาสิตวกรรมูนาวัตติโลโกโสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนั่นเป็นเช่นนี้ท่านสาธุชนพินิจพิจารณาดูเถอะว่ากรรมนั่นมีอำนาจขนาดไหนแล้วไม่มีใครหนีกรรมพ้นได้เลยทำกรรมดีไว้กรรมดีย่อมให้ผล ไม่ช่วงหนึ่งก็ช่วงใดไม่ชาตินี้ก็ฉาติหน้าแต่ว่าที่ให้ผลแน่ๆก็คือให้ผลที่ใจทุกครั้งที่เราทำลงไปถ้าหากว่าคุณโยมเนี่ยก่อนนอนคุณโยมสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาคุณโยมจะได้รับความชุ่มเย็นทางจิตใจทุกครั้งถ้าคุณโยมทำบุญสุนทานคุณโยมจะเป็นเศรษฐีในความรู้สึกทุกครั้งเลย ถ้าไม่เชื่อกุญยมลองติดกันเทศดูตอนนี้จะเป็นเศรษฐีทันทีเลย <Okay. S 1> เว้นแต่นั่งเฉยๆก็ยังเป็นธรรมดาอยู่อย่างนี้นี่สามารถพิสูจน์ได้เลยแต่ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายเนี่ยลองมีความโกรธมีความเกลียดเกิดขึ้นแล้วก็ทำลงไปตามอากุศลละจิตที่มันคิดนั้น ท่านจะได้ความเดือดเนื้อร้อนใจทันทีถ้าหากว่าทำไม่ดีไปตามใจที่มันสั่งนั้นผลที่ตามมาหลายชั้นเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งกรรมดีและกรรมชั่วที่เราทำนั้นมันจะให้ผลตลอดไปเรื่อยๆแม้เป็นพระอริยเจ้าแล้วยังตามสง่งผล ดังเรื่องของพระโมคคานะเป็นตัวอย่างในอดีตในชาติเนี่ยท่านเคยทุบตีพ่อแม่ถึงแก่ความตายต่อมานี่ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาพบองค์สมเด็จพระบรมศาสดาได้ฟังธรรมบรรลุเป็นพระ อ, อรหันต์แล้ว แต่กรรมเก่ายังตามมาถึงตัวท่านท่านเคยทุกพ่อทุกแม่จนถึงแก่ความตายในชาติสุดท้ายท่านก็ถูกโจรทุบเหมือนกันจนร่างแหลกละเอียดไปหมดเลยทีเดียวขอให้ท่านทั้งหลายนึกดูว่าแม้เป็นพระอริยะเจ้าแล้วกรรมมันก็ยังไม่เว้นแสดงว่ามันมีอำนาจ นั้นสิ่งที่คนทำไปนี่ทำแบบไหนก็ย่อมจะได้รับแบบนั้นทำดีก็มีความชื่นใจในเบื้องต้นแล้วยังส่งผลต่อสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเกิดเป็นมนุษย์บ้างเกิดเป็นเทวดาบ้างเกิดเป็นสัตว์นรกบ้าง หรือบางท่านก็บรรลุนิพพานบ้างที่ได้รับผลเช่นนี้เป็นเพราะอำนาจของกรรมดังอุเทศเทตมาภาพยกไว้ในเรื่องต้นว่าคัพพเมเกอุปัชชนติเป็นต้นซึ่งแปลว่าคนทั้งหลายบางพวกตายแล้วก็ไปเกิดในครันคือไปเกิดในท้องของแม่ คนที่ทำบาปกรรมเอาไว้มากตายแล้วก็ไปเกิดในนรกคนที่ทำดีเป็นปกติตายแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ส่วนผู้ที่บำเพ็ญชีวิตตามศีลสมาธิปัญญาทำได้อย่างครบถ้วนบุคคลผู้นั้นตาบุคคลผู้นั้นก็บรรุนิภาน เพราะจิตใจปราศจากกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดใหม่ตายแล้วก็ไม่เกิดอีกต่อไปพระพุทธเจ้าทรงนำเรื่องนี้มาแสดงแก่พระพิสุทธ์ทั้งหลายเมื่อครั้งที่พระองค์ประทับอยู่ที่วัดเชตวันทีนี้ญาติโยมเคยไปเห็นวัดเชตวันแล้วหรือยังวัดเชตวันนี่ใหญ่มาก โยมน่าจะได้ไปชมกันบ้างออกพรรษาแล้วสวดมนต์ภาวนาตั้งใจให้ดีว่าชีวิตนี้จะไปกราบสังเวชนียสถานไหว้สังเวชนียสถานสักครั้งหนึ่งเวลาญาติโยมไปเขาจะพาไปชมวัดเชตวันปัจจุบันนี่ยยังมีโบราณสถานหลงเหลืออยู่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงนี้แหละ ได้ยกพรทธมเทศนาที่เป็นหัวข้อ ม, มตุตะกี้นี้มาเทศให้พระฟังปลารบเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นในวันนั้นคือว่ามีพระรูปหนึ่งท่านมีความคุ้นเคยกับครอบครัวช่างเจรนายเพชรช่างเจรนายเพชรก็ศรัทธานิมนต์ท่านไปฉันเช้าเป็นประจำ ตอนเช้าท่านก็เดินทางออกจากวัดไปบินทบาทที่บ้านนั่นแหละท่านไม่จาริกไปที่บ้านอื่นเพราะท่านมีเจ้าประจังอยู่เหมือนกับพระบินทบาตสมัยปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าญาติโยมนิมนต์ท่านไว้ท่านก็จะแวะไปที่บ้านนั้นเมื่อครั้งที่เจ้าคุณสมเด็ชพุทธาจารย์โตอยู่นี้ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จท่านจะออกบิณฑบาตตอนเช้าปรากฏว่ามีคุณพระท่านหนึ่งนิมนต์เจ้าประคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตไปรับบาตรที่บ้านประจำเลย <c oughs> <c oughs> ชี่นนี้ี่ดหน้าประตูเขียนข้อความว่าบ้านนี้สุนัขดุไม่ค่อยมีใครกล้าเดินผ่านบ้านนั้นแต่เจ้าประคุณสมเด็จพุทธาจารย์โต ท่านเป็นพระที่มีเมตตาบารมี <c oughs> อนนานาจจิตของท่านแก่กล้ามากเวลาจะไปรับบาตรที่บ้านนี้ท่านจะต้องแผ่เมตตาให้กับเจ้าสุนัขตัวนี้ก่อนมันก็ไม่กัดแต่พอพระรูปอื่นเดินทางไปรับบิณฑบาตแทนเจ้าคุณสมุเด็จพุทธาจารย์โตมันกัดเลย แล้วคนก็สงสัยว่าทำไมขัวโตเนี่ยไปรับบาด ท, ที่บ้านนี้หมาไม่กัดแต่พระรูปอื่นไปทีไรมันกัดทุกทีเจ้าบระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตท่านก็บอกว่าเพราะผมมีคาถาดีคาถากันหมากัดบอกโยมเอาไว้ใช้บางก็ดีเหมือนกั น, นพระก็เลยถามว่าคาถายาวไหมหลวงพ่อไม่ยาวหรอก แล้วมันว่ายังไงเจ้าคุณสนเดจก็บอกว่าจำไว้นะเวลาไปบ้านไหนมีสุนัขดุให้ภาวนาคาถาบทนี้แล้วท่านก็บอกว่าตั้งนโมสามจบเสร็จแล้วก็ภาวนาคาถาบทนี้ว่าไอ้จอไอ้จอหางงอหูกลางเอ็นดูกูบ้างอรหังพุทโธเพียงเนให้เสกเพียงด้วย มีปัญหาว่าพอมังกรโจนมาน้าโมมันจะไม่จบสิสามจบมันจะกระเจิงด้วยก่อนสิก็เหมือนกับพระติสารูปนี้ท่านรับบินทบาลที่ครอบครัวหรือที่บ้านของช่างเจรนายเพชรเป็นประจำทีนี้วันหนึ่งซึ่งเกิดเรื่องขึ้นก็คือว่าพระเจ้าประสิทิ์ที่โกศลเนี่ยให้เจ้าหน้าที่นำเพชรเม็ดงาม งามยิ่งกว่าเพชรซาอุกนิยมนะ <c oughs> เอามาให้ช่างเจรนยเพชรที่บ้านนี้เขาทำการเจรนายใหม่อีกครั้งหนึ่งในขณะที่เขา อ, อกเม็ดเพชรมาส่งนั้นนะในช่างคนนี้กำลังทำครัวอยู่กำลังหั่นเนื้อหมูอยู่มือก็เปื้อนเลือดหมูแล้วก็ไปรับเพชรเม็ดนั้นมา พอไปรับมาแล้วเนี่ยฮะก็มาวางไว้แถวๆนั้นนะข้างๆที่พระท่านกำลังนั่งรอให้โยมประเค้นอาหารอยู่เสร็จแล้วเขาก็ไปล้างมือที่หลังบ้านกลับมาที่หน้าบ้านอีกทีปรากุดเพชรเม็ดนั้นมันหายไปแล้วในช่างก็ถามว่าพระคุณเจ้าเนี่ย เห็นเพชรไมมที่ผมวางไว้เมตร ก, กี้นี้ท่านก็เฉยท่านก็เฉยแต่ความจริงท่านรู้ก็คือว่าที่บ้านนั้นเขาเลี้ยงนกกระเรียนไว้ตัวหนึ่งนกกระเรียนมันได้กลิ่นเลือดมันก็เข้าใจว่าเพชรนี่เป็นเนื้อมันก็เลยจิกกินและกลืนเข้าไปในท้อง พระเถระท่านเป็นพ่อรหันนี่ท่านคาดการล่วงหน้าเลยว่าถ้าท่านบอกว่านกกระเรียนมันกลืนเข้าไปแล้วนกกระเรียนก็ต้องถูกฆ่าตายท่านก็เฉยในช่างผู้นี้ก็เอาเรื่องเนี่ยไปปรึกษากับภรรยาว่าในบ้านของเราไม่มีใครเลยเนี่ยมีแต่พระกับนกเท่านั้นผมเข้าใจว่าพระคงจะขโมยเพชรเราไปแน่ ภรรยาบอกว่าโอ้จะไปคิดอย่างนั้นนะพ่อนะเพียงแต่คิดก็ผิดแล้วคิดกับพระแบบนี้มันไม่ถูกแล้วพระจะเอาไปทำไมถ้าไม่ได้ประดับเนื้อประดับตัวนี่มันไม่มีใครในี่เธอนอกจากพระเท่านั้นพระก็มีความโลภเหมือนกันนี่เห็นเพชรเม็ดงามดีไม่ดีอาจจะขโมยของเราไปขายก็ได้คิดไปอย่างนั้น ภรยาห้ามเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อนในที่สุดตัดสินใจด้วยอำนาจเผด็จการบาปอกุศลมันดนใจช่างเพชรผู้นี้แกไปคว้าเชือกมาพันรอบศีรษะของพระรูปนั้นขันที่ตึงเลยแล้วก็หาไม้เนี่ยมันตีพระตุบตับตุบตั บ, ต บ, ต บ, ตบ จนกระทั่งเลือดของท่านไหลออกจากปากจากตาจากจมูกท่านไม่ปรีปากสักคำเดียวว่าโยมจุดก่อนไม่พูดเลยท่านนิ่งเฉยเลยใช้ความอดกลั้นใช้ความอดทนท่านลำเลึกเนื้อกวันนี่ต้องเป็นกรรมเก่าของเราที่เคยทำมาเมื่อเลือดมันไหลออกจากจมูกจากปากนกกระเรียนมันก็มาอีกแล้วพราะมันได้กลิ่นข้าวเลือด ในช่างพุนนั้นแกกำลังบรรดาลโทสะเห็นนกกระเรียนมาพุ่นเปลี่ยนก็ก็เตะตูมออก้นไปนกกระเรียนก็เลยถึงแก่ความตายพอนกตายแล้วคือจึงได้บอกว่าโยมนกกระเรียนตัวนี้แล้วมันกลืนเพชรของโยมไปอตมาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องดอกรีบไปจับนกแล้วก็มาผ่าท้อง เห็นเพชรอยู่ในทองของนกก็ให้รู้สึกเล่าร้อนใจแล้วว่าโอ้โอเรานี่ทำกรรมชั่วอย่างหนักกันไปแล้วทำร้ายพระให้บาดเจ็บถาวายอาหารพระท่านก็ฉันนิดหน่อยแล้วก็อำลาโยมกลับวัดกลับไปไม่ถึงวัดโยมท่านก็ไปนิพพานกลางทาง พระรูปนี้ท่านปรินิพุทธเรียกว่าบารณภาพแล้วท่านไม่ไปเกิดที่ไหนเลยเพราะว่าท่านเป็นพระอริยะบุคคลชั้นสูงเป็นพ่ออรหันต์เอาเหตุการณ์ในบ้านนี้เป็นยังไงต่อภรรยาเสียใจมากว่าสามีของตัวเองเนะี่ยทำต่อพระอย่างนี้เป็นพระที่คุ้นเคยเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แต่ก็ยังมาทำกับท่านอย่างนี้เสียใจมากแต่ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำบุญสุนทานต้องการที่จะเอาแรงบุญนั้นมาสลายความทุกข์ความโศกในใจของตนส่วนสาส่วนสามีนั้นเล่าร้อนใจมีชีวิตยอยู่ได้ไม่ถึงปีก็ตายเกินเหมือนกัน ตายแล้วไปเกิดที่ไหนโยมตายแล้วไปเกิดในนรกมัเนเพราะตอนที่มีชีวิตอยู่ก็เล่าร้อนใจจะออกจากบ้านไปทางไหนก็ไม่ได้ประชาชนเขาพากันสาบแช่งหาว่าคนคนนี้ใจดำเอามาหิดฆ่าพระแล้วเป็นพระที่คุ้นเคยคุ้นเคยกันเหมือนญาติแต่กลับไปฆ่าท่านอีก ชาวบ้านกรพากันปนามใหญ่ในที่สุดแกก็เฉาเฉาเรียกกันว่าหัวใจมันเฉาตายไปเกิดในนะรกนกกรเรียนตัวนั้นตายไปเกิดที่ไหนล่ะโยมไปเกิดในคันภรรยาของในช่างผุ้นั้นทำไมจึงไปเกิดเป็นมนุษย์ละ่ะเพราะว่านกกระเรียนเนี่ยมันมีความผูกพันในพระเถระ จิตของนกยังมีความเรื่มใสต่อพระเลยมเพราะว่าจิตที่มีความเรื่มใสที่มันกลืนเพชษลงไปมันทำด้วยความรู้เท่าไม่ถึงกลานมันเข้าใจว่าเป็นชิ้นเนื้อมันก็กลืนไปมันไม่คิดจะขโมยเพิเหมือนกับคนเหล่านี้หรอกคนเหล่านี้เห็นเพิเห็นพลอยนี่เนี่ยคิดจะขโมย ไม่ต้องการจะเอาเพชรเอาพลอยไปกลืนเป็นอาหารหรอกเจตนามันต่างกันใน่ไหมฮะแต่ว่านกกเรียนตัวนี้มันเข้าใจว่าเป็นอาหารก็กลืนเข้าไปมีความเลื่อมใสต่อพระเถระตายแล้วก็ไปเกิดเป็นรูปของในช่างจรณัยเพชร น, นั่นเองแล้วภรรยาผู้นั้น ตั้งอกตั้งใจทำบุญทำทานรักษาสินโสดมนภาวนาเป็นประจำทุกวันพอตายแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์เรื่องนี้ชี้เราทั้งหลายได้รู้ว่ากรรมที่เรากระทำลงไปนั่นแหละจะเป็นตัวบรรดาลให้ชีวิตของเรามีความเป็นไปต่างๆกันทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่หรือหลังจากที่เราตายไปแล้ว ก็ยังมีความแตกต่างกันอีกเรื่องกัรจึงเป็นเรื่องที่มีความแน่นอนท่านจัดเป็นนิยามประการหนึ่งนิยามคืออะไรนิยามก็หมายความว่ามันเป็นไปได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวเหมือนกับอะไรเหมือนกับอุตุนิยาม เราเกิดมาในโลกนี้ต้องมีฤดูการเช่นมีฤดูร้อนต้องมีฤดูหนาวต้องมีฤดูฝนเกิดมาเป็นคนนะ่ะต้องเจอฝนเจอแดดผู้ใดใครก็ตามทะ้ลูความจริงอย่างนี้แล้ว เ, เราก็ไม่ว่าฟ้าว่าฝนอย่างที่เขาบอกว่าคนพอไม่เข้าใจในเรื่องนี้แดดออกก็บน่นฝนตกก็ว่า เพาเราไม่เข้าใจในเรื่องของธรรมชาติประการที่สองพีชนิยมนี่ในโลกของเหล่านี้เป็นวัตจักแห่งการสืบต่อพืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยนะฮะมันก็มีการสืบต่อกันไปสิงสาราสัตว์ก็มีการสืบต่อกันไปไม่สูญสิ้นไปจากโลกแม้แต่ชีวิตของมนุษย์เหล่านี้นะะ ก็มีการสืบต่อมีการสืบพัน์เป็นไปตามลักษณะของกรรมพันธเป็นอย่างนี้แน่นอนประการที่สามจิตตนิยามอันธรรมชาติของจิตนั้นมันจะทำหน้าที่ของมันได้อย่างแน่นอนทำหน้าที่อะไรบ้างรับสุขรับทุกข์ได้จาสิ่งต่างๆได้สามารถคิดอะไรต่อมิอะไรได้ เหมือนกับท่านสาธุชนขนาดนี้นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าจิตมันคิดไปทุนู้ที่นี่ได้และมันรู้อะไรจะมีอะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายมันรับรู้ได้หมดนี่มันเป็นธรรมชาติของมันแน่นอนที่สุดประการต่อมาคืออะไรก็คือว่ากรรมนิยามตั้งใจทำดีผลดีเกิดขึ้นสองชั้นแน่นอนตั้งใจทาชั่ว ผลชั่วเกิดขึ้นสองชั้นแน่นอนดังที่ว่ามาแล้วและประการสุดท้ายธรรมนิยามธรรมดาจะเป็นตัวกาหนดให้ความแก่ปรากฏให้ความเจ็บปรากฏให้ความตายปรากฏอันนิจจงทุกขังอนัตตาปรากฏอย่างแน่นอนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้เมือ่อญาติญาติโยมท่านสาธุชนทราบความจริงเช่นนี้ ต้องพิจารณาดีๆก่อนที่จะทำอะไรลงไปให้เป็นไปตามทํานองที่ท่านสอนวันนิสัมมะการังสสยโยใคร่ควรเสียก่อนแล้วจึงทำนะก่อนจะทำสิ่งใดใจต้องคิดถูกหรือผิดทำอย่างนี้ดีหรือไม่ถ้าเห็นว่าไม่ดีมีโทษภัยควรหาทางทำใหม่ทำให้ดี อันยังไม่สายเกินไปนะโยมนะในขณะที่เราเกิดมายังมีชีวิตอยู่นี้เลือกทำแต่สิ่งดีๆกันดีกว่าสิ่งไม่ดีอย่าได้ทำเลยสิ่งไม่ดีมีลักษณะอย่างไรการผิดศีลทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่ไม่ดีการที่เราทำดีก็คือว่าเรางดเว้นจากการทำเรื่องที่ไม่ดีได้ทั้งหมด งดเว้นจากการใช้ความรุนแรงต่อกันงดเว้นจากการคิดคดขโมยกันงดเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีต่อกันงดเว้นจากการพูดเท็จต่อกันงดเว้นจากสิ่งที่เป็นโทษต่อสติสัพชัญญะก็คือสุรายามเมาถ้าเรางดเว้นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการทำดีแล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็เพิ่มความดี โดยวิธีการต่างๆที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้เรียกกันว่าการทำบุญนั่นเองขอให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ชีวิตของเราก็จะประสบความสุขความเจริญดังในยะที่ชี้แจงแสดงมารัตนตยานุภาเวนะขอเดชะพระพุทธรัตน์กันจัดทุกข์ จเจริญสุขสิริสั์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตกำจัดพานให้ไปสารผุดผ่องพ้นผ่องภัยขอเดชะพระสังครัดกำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะพระรัตนตรยัยขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจเจริญวัยเจริญสีทวีคูณ เจริญด้วยอายุวั น, นะสุขพระปฏิพานธรรมสารสมบัติประสงค์สิ่งใดอันเป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นๆจงพลันสำเร็จดังที่ประสงค์จงทุกประการเทศนาบรรหารซึ่งได้ชี้แจงแสดงมาโดยประสงค์ ก็ขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้